ทีนี้ต่อไปเนี่ยนะส่วนเกี่ยวกับเรื่องว่าไม่นึกถึงไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นเขาก็มีตัวอย่างในอัตกถากล่าวถึงเรื่องของอวิธีที่สามนะวิธีที่สามคืออะไรคือการไม่ใส่ใจไม่นึกถึงอสิตะเนี่ยนะอะมนสิกานคือไม่ต้องไปสนใจหรอกนะไม่ต้องเก็บเอามาคิดเนี่ยนะท่านบอกว่า วิธีการในอัตถกาหน้า246ริบบอกว่าภิกษุนั้นไม่พึงนึกถึงไม่พึงใส่ใจถึงอกุศลวิตกเหล่านั้นพึงเป็นผู้ส่งใจไปในอารมณ์อื่นๆเหมือนผู้ที่ประสงค์ไม่เห็นรูปแล้วก็หลับตาทั้งสองฉันใบภิกษุผู้ถือเอามูลกรรมฐานนั่งแล้วเมื่อวิตกเกิดขึ้นในจิตก็พึงเป็นผู้ส่งใจไปในอารมณ์อื่นฉะนั้นก็จะละอกุศลวิตกได้ แล้วก็เจริญกรรมฐานต่อไปถ้าเธอยังละไม่ได้ก็ควรสาธยายบาลีธรรมัคคุที่เรียนมาด้วยเสียงอันดังแปลง่ายๆว่าถ้าเจริญไปเจริญมาไม่ได้เรื่องล้วสวดมนต์เธอว่าไงถ้าเธอใส่ใจหรือสวดมนต์อยู่ก็ยังแก้ไม่ได้อิจเอาสมุดมาเขียนจดบันทึกก็ได้ไนะนะเรื่อใหม่ก่อนนี้ก็เขียนพุทธคุณเขียนธรรมคุณลองเขียนพุทธคุณธรรมคุณดูถ้าเนี้ยเขียนไปก็ยังไม่ได้ก็เรียกว่าหยิจ ไม้สีไฟออกจากย่ามเรียกว่าเปลี่ยนเรื่องนะนะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนจากอากุศนวิตกเหล่านั้นเพราะเขืนปล่อยให้อกคุสลวิตกเหล่านั้ น, นกํลลกเากเริบ ม, มากขึ้นเนี่ยบางทีมันล่วงอบัตบจริงๆเลยแหละนะอกุศลวิตกบางอย่างนี้ถ้ามันโตขึ้นโตขึ้นในที่สุดก็บางคนก็ปราชิกหรือสังขาริเศษอันใดอันหนึ่งเข้าไปจนได้มันก็ต้องพยายามหาวิธีแก้ไขมาแบบแคว่านั่งนับกุฏิก็ได้เดินนับกุฏิก็ได้ทำอะได้อะไรก็นับเจดีก็ได้นับ เรียงเจดีก็ได้นั่งนับเจดีอ่านพระไตรปิฎกแต่งห้องใหม่ก็ได้อะไรก็ได้ไปทําอะไรก็ได้ที่มันอย่างเงี้ยก็จะละอกุศลวิตกได้หรือไม่ก็ต้องพยายามหาวิธีละอกุศลวิตกได้ถ้าละอกุศลวิตตกได้ก็ให้นู่นอ่ะทางนี้ก็ก่อสร้างไปนันนะการว่าทำนวากามก็ไม่ไว้จริงก็ต้องไปก่อสร้างแล้วล่ะเพื่อจะทำแต่คนที่จะก่อสร้างก็ต้องทําลายอกุศลแจิตก่อน คือเรื่องมีอยู่อย่างนี้เนี่ยนะในตัวอย่างสมัยก่อนก็มีอยู่ว่า เ, าเรื่องติดสัสมะเนิได้ยินว่าอุปชัยย์ของสมะเนินอาศัยอยู่ที่มหาวิหารชื่อว่าติดสัสมะเนินก็กล่าวกับอุปชายว่าท่านครับผมกระวนกวายแปลว่าผมอยากกะสึกเต็มทีแล้วว่าไงพระเถระก็ถามสมะเนินว่าวิาวิหารวัดที่อยู่เราอยู่เนี่ยหาน้ําอาบยากไปเถอะไปอยู่จิตระดาบรรพศสมะเนินก็ทําตามอาจารย์ชวนไปอไปอยู่นู่นก่อนเนี่ย เอาไปอยู่โน่นก่อนละการที่นี่มันน้มหายากจาง ก, ก็พาไปที่อื่นก่อนสัมเมเนนพอไปถึงที่นั้นพระเถระก็บอกว่าสัมมาเนวิหารนี้เป็นของสงเธอจะต้องทำที่อยู่ใหม่จะต้องให้เป็นอยู่ส่วนบุคคลทุกที่เนี่ยนะกุฏิทุกหลังเป็นของสงหมดเลยไม่มีของส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างของบุคคลขึ้นมาเนี่ยนะให้มีที่อยู่เป็นของตัวเองเนไ สมมเนนก็รับบอกษาทุกเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าอาจารย์พูดเหมืนว่าอาจารย์อยากได้กุติเป็นของที่อยู่ตัวเองสักหลังหนึ่งสัมมเนนก็โหศรัทธาอาจารย์อยู่แล้วนะ ก, ก, ก็ทําถวายอาจารย์ไปใจจริงก็เริ่มใจจริงเนี่ยคิดทําถวายอาจารย์นะก็เลยเริ่มสร้างก็แต่สัมมเนนนั้นก็เก่งอาจารย์ก็วางไว้สามอย่างหนึ่งให้เรียนคัมภีสังยุตตินิกายตั้งแต่ต้นเลยเรียนเลยเรียนพระสูตรแล้วก็ให้ชําระพื้นที่เงื่อมภูเขาแล้วก็ทํากระสินบริกรรม เจริญเตโชกสิลด้วยนะก็ทํากรรมฐานนั้นให้ถึงอัปปนากสิล น, นั้นก็เจริญได้จนได้ฌานอะ่ะแล้วสั่งยุตินิกายก็เรียนจนจบแล้วก็เริ่มก่อสร้างถา้ำนะเริ่มเรียกว่าเจาะถ้านะและนั่งสกัดหินทำถ้ำเนี่ยนะก็จริงนะคล้ายๆกับถ้ำอชันตาถ้ า, ถาอะไรทั้งหลายอะไรเขาก็เจาะหินทำทั้งนั้นนะนะมาเจาะหินเข้าไปทํถาถ้ำที่ศรีลังกาก็มีหลายถา้ำเช่นถ้ำที่วัดราชามหาวิหารเนี่ยถ้ำดัมบุล่านะ ก็มีคล้ายๆเจาะเข้าไปเนี่ยเจาะเข้าไปขุดเป็นแล้วก็ตกแต่งเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละมันก็ทําเสร็จเนี่ยนะขุดทาเสร็จเจาะทาเสร็จจนได้เป็นที่อยู่เรียบร้อยอุปชาเขาบอกสมมเนนที่อยู่เฉพาะส่วนตัวเนี่ยนะที่เธอทําเสร็จในวันนี้เธอทําด้วยความลำบากเธออยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันเนไหมครับถ้พอบเธอทํามาเหนื่อยนะเธออยู่หลังนี้ไปเลยเหมือนกันสัมมเนนเมื่ออยู่ในถ้าตลอดราตรีได้อุตุสปายะเจริณวิปัสนา บรรลุเป็นาตนอย่าลืมว่าท่านไม่ใช่ไม่เก่งนะท่านจบคำพีสั่งยุตนิกายถ้าตอนนี้ของเราก็จบเล่มจำเล่มสา3ส35ี่สหขออภัยเล่ม 23, 24, 25, 2า2ยี่ส9ี่ยี่บห้ายี่บเจ็ดยี่บปดยบเก้านะเเท่ากับท่องพระไตรปิฎกจบประมาณเจ็ดเล่มถนาฉบับที่เราใช้อยู่เนี่ยนะมันจบเจ็เล่มเนี่ยแวแบบสิทย์มีอาจารย์เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกนะ ซึ่งอาจารย์ของท่านก็ส่งพระไตรปิฎกอยู่แล้วไม่มีปัญหาในที่สุดก็อยู่ถ้านั้นก็เป็นบรรลุเป็นธาตุฐานท่านก็อยู่ในถ้ำนั้นจนอายุมากปรินิพานอยู่ที่ถ้านั้นนั่นแหละชนทั้งหลายก็เลยเรียกถือเอา่าสัมมาเนนสร้างเป็นเจดีย์ว่าเจดีย์ของพระติดสัทธระก็ชื่อเสียงโด่งดังไปจนถึงสมัยพระพุทธโคษาจารย์เนี่ยนะมันก็ ก็ไม่ใช่ว่าก่อสร้างก็ก่อสร้างแระพฤ่งเถือจนไม่ได้เรียนธรรมะธรรมะอะไรเลยก็ไม่ใช่ะนะก็เขาแบ่งเวลาเวลาไหนก็สร้างเวลาไหนเรียนธรรมะเวลาไหนก็แบ่งเวลาไม่อย่างนั้นจิตมันก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับอกุศลเนี่ยนะเพราะสิ่งการหมกมุ่นเนี่ยเป็นสร้างความเสียหายสร้างความเสียหายมากเพราะฉะนั้นทํำยังไงที่ใจจะได้ไม่ต้องหมกมุ่นที่นี้เมื่อไอ้ข้อที่ว่ามนุิการสัมผานของมิตกเนี่ยนะ มณสิการสันฐานของมิตกอันนี้ก็ท่านยกบอกว่าเหมือนกับกระต่ายตื่นตูมเนี่ยกระต่ายที่มันตื่นตูมกระต่ายตื่นตูมเนี่ยก็เลยตื่นมะตู ม, มอะนะตูมตัวนั้นแปลว่ามาตูมมาตูมตกใส่ข้างหัวมันก็เลยวิ่งเตลิดเพลิงไปหมดเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องกระต่ายตื่นตูมในทุทุพชาดกว่ากระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใกล้ต้นมะตูมลูกมะตูมสุกลุดจากขั้วตกลงมาใกล้หูวของกระต่ายดียิ่งไปตกใส่หัวนะ กระต่ายตัวนั้นก็ผลุดลุกหนีไปโดยเร็วว่าแผ่นดินถลม่มแผ่นดินถลม่มเพราะเสียงของมะตูมันดังดังข้างหูเนี่ยอู้แผ่นดินถล่มแน่นอนเลยนะสัตว์จตุบทวิบาศสัตว์สีเท้าสัตว์สองเท้าเนี่ยได้ข่าวว่ากระต่ายวิ่งมาก็พะแผ่นดินถล่มก็วิ่งตามกันไปพระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีราชสีคิดว่าแผ่นดินเนี่ยนะมันจะพินาศก็เพราะกับพินาศ เชื่อว่าการที่แผ่นดินจะแตกทำลายในระหว่างนี้ไม่มีต้องสืบหาต้นเหตุว่าอะไรเป็นเหตุทำให้กระต่ายตื่นมาแบบนี้ราชาสีห์ก็เริ่มถามสัตว์ทั้งหลายทั้งอไ่แต่ช้างถามช้างว่าเป็นยังไงเหตุอะไรหรือเจ้าเห็นแผ่นดินใช่ไหมกระต่ายช้างก็บอกไม่รู้เนี่ยก็ไล่ๆๆจนว่าออตัวต้นข่าวนี้คือตัวกระต่ายบอกเจ้าเห็นแผ่นดินถล่มใช่ไหมถามกระต่ายนะกระต่ายก็บอกนายข้าพเจ้าเห็น เจ้าพาเราไปดูบอกไม่อากลัวเนี่ยนะกลัวตรงนั้นแผ่นดินมันถลม่มเฮ้ยทำไมไปเนี่ยนะเดี๋ยวโดนเนอะทไม่ไปเนี่ยโดนก็โคก็ตายฟู่เข้าไปก็ตายก็ยอมปลอบใจกระต่ายด้วยคําสุภาพเสร็จแล้วก็พากระต่ายไปพอไปไม่ไกลต้นมะตูกระต่ายก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้สง่า ง, งามข้าพเจ้าอยู่ในที่นั้นได้ยินเสียงพลมลมข้าพเจ้าไม่รู้จักว่าสิ่งนั้นอะ่ะคือเสียงอะไรแต่ก็อันนี้ขณะไม่รู้นะยังทึกทักเอาว่า แผ่นดินถล่มแล้วก็วิ่งกข้ป่าราบเลยนะไม่วิ่งตัวเดียวนะย่างพาสัตว์อื่นวิ่งไปทั้งป่าไปหมดเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าเจ้ายืนชิดอยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะแล้วกระต่ายก็เออราชสีก็ไปที่โคนต้นมะตูมไปเห็นที่นอนของกระต่ายไปเห็นลูกมะตูมสุกแล้วก็ดูข้างบนก็เห็นขั้วของมะตูมก็รู้ว่ากระต่ายตัวเนี้นอนหลับอยู่ตรงนี้ลูกมะตูมสุกมันตกลงมาใกล้หูก็มีสำคัญคิดว่าแผ่นดินถลม่มก็รียวิ่งหนีก็เลยถามถึงเหตุ พอเสร็จแล้วก็ตายก็ยอมรับว่าใช่ น, นะถูกต้องแผ่นมะตูมตกใกล้หูพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกกระต่ายฟังเสียงลูกมะตูมหล่นลงสำคัญมาเสียงแผ่นดินถลม่มจึงวิ่งไปโดยเร็วพวกมรึกคือศัตว์ทั้งหลายปานเหมือนกองทัพผู้เร่าร้อนแล้วเพราะฟังถ้อยคำของกระต่ายก็ว่าอุย้ยพากันหนีป่าราบหมดกลัวแผ่นดินถลม่มแบบนั้น แต่พอสอบเข้าไปจริงๆอ้าวมาตูมลูกเดียวเนี่ยนะมาตูมลูกเดียวเนี่ยวิ่งกงินป่ารับไปหมดเพราะฉะนั้นอากุศลมิตกที่เราแหมมันทะลักมาแล้วทะลักมาอีกเนี่ยนะก็ต้องสอบหาสาเหตุเนี่ยนะสอบหาสาเหตุว่าต้นเหตุของเรื่องจริงๆอ่ะมันคืออะไรก็ขุดรากมันซะถ้าขุดรากถอนโคนมันก็มันก็หมดแล้วเนี่ยนะนะในวิธีที่ห้าวิธีสุดท้ายนะวิธีสุดท้ายบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ก็เมื่อพิสูจนนั้นมนานสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆอกุศลวิตกเนี่ยมันแหมมันเล่นงานหนักขึ้นนะหรืออันใหม่ๆเนี่ยเกิดมาเรื่อยๆไม่ยอมนะว่าอากุศลวิตกจริงๆแล้วละได้เด็ดขาดด้วยอรหัตตมรักเนี่ยนะหรือว่าละได้เด็ดขาดจริงๆที่อรหัตตมรักเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะถอนกันได้ง่ายๆเนี่ยนะ เอางี้ถ้าหากว่าอากุศลวิตกก็ยังเกิดมาเรื่อยๆเนี่ยนะจนถึงกับแม้จะต้องเสียศีลเสียธรรมเป็นต้นภิกษสูนั้นกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นขมบีบคั้นบังคับแปลว่าขมจิตด้วยกุศลจิตเนี่ยนะขมอกุศลจิตด้วยกุศลจิตเมื่อเธอกัดฟันดุนเพดานด้วยลิ้นขมบีบคั้นบังคับอกุศลจิตด้วยกุศลจิตอยู่วิตตกที่เป็นบาปอากุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นและดูความพิสูุ์ทั้งหลายเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าเอาไว้ได้บีบกดเข็นที่ศีรษะหรือที่คอที่ก้านคอเอาไว้ให้แน่นแม้ฉันใดภิกษุนก็ฉะ น, นั้นเมื่อเธอ หากเธอเมื่อมนาศิการถึงสันฐานวิตกสังขารของวิตกแม้เหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้น ข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตอยู่ได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตก็ตั้งด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลนะเรียกว่าต่อสู้กับอกุศลวิตกกันหน้าดูเลยนะ เรียว่าต่อสู้ทั้งข่มทั้งบีบคั้นเพราไหะไก็เหมือนกับว่าไฟถ้าหากว่ามันลามจะไหม้บ้านเนี่ยนะเราจัต่อสู้กันไหมหรือไหนๆมันก็อยากลามเนี่ดับยังไงก็มันไม่ดับก็ปล่อยให้มันลามซะหมดบ้านหมดเมืองไปเลยเขาไม่มีใครก็คิดอย่างนั้นหรอกเนี่ยนะก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปติดเชื้อโรคบางอย่างแผลมันเน่าไปเรื่อยๆทําไง อยากเน่าก็ปล่ให้มันเน่าไปถึงหัวขัว้วหัวใจก็แล้วกันมีใครเขาคิดอย่างนั้นหรอกเขาพยายามแก้พยายามวิธีที่หนึ่งก็ไม่ได้พ้นเาวิธีที่สองวิธีที่สองไม่ได้พ้นวิธีที่สามก็แค่ไปจนกว่าจะกําจัดอกุศลวิตกได้ถ้ากําจัดอกุศลวิตกไม่ได้ทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้นี่นะมันก็ต้องพยายามที่จะกําจัดอกุศลวิตกเพราะอากุศลวิตกเป็นมิจฉาสังกัปปะถ้าคนอากุศลวิตตกมากๆจะมิจฉา ว่าจ่าเมื่อมิจฉาวาจาก็มิจฉากรรมมันต์มิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิก็ระบาดเนี่ยนะอกุศลกรรมบทก็ล่วงทับถ้ามิจฉาทิฏฐิระบาดปานาติบาตเป็นต้นก็ระบาเอุ้ววตกนรกกันบานเบอรเลยว่างั้นนัจะต้องพยายามที่ไอตรากเง่าก็มาจากอกุศลวิตกอกุศลวิตตกจะกําจัดด้วยวิธีการใดๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับสิ่งที่เลวร้ายที่ต้องรีบกําจัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใ ด, ดแล้วมนานัสการนิมิตใ ด, ดอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลเกิดขึ้นที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะย่อมเกิดขึ้นเธอก็มนานัสการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นที่ประกอบไปด้วยกุศลอนวิธีแรกใช่ไหมก็คือให้ไปเจริญสิ่งที่เป็นกุศลอย่าไปคิดสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าวิตตกที่ประกอบด้วยบาปอากุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะ เธอย่อมละได้อากุศลวิตตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปเจริญกุศลวิตกอย่างอื่นแทนที่เป็นเครื่องปรับเป็นคู่ปฏิปักษ์ในการกำจัดอาุศลวิตตกวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองภิกษุนั้นก็พิจารณาโทษของวิตกนั้นอยู่ถ้าเห็นโทษมากเท่าใดวิตกที่เป็นบาปอากุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะเธอก็ละได้ อ่นนะอาุศลวิตกนั้นก็ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อละอกุศลวิตกได้จิตก็สงบตั้งมั่นเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในหรือว่าวิธีที่สามพิกษซนั้นก็ไม่นึกไม่ใส่ใจในอาคุศนลวิตกเหล่านั้นที่เป็นบาปอาคุศนที่ประกอบด้วยโลภะโทสะและโมหะเมื่อเธอมนัิการอย่างนั้น หรือว่าขออภัยไม่นึกถึงไม่ใส่ใจถึงอกุศลวิตกเหล่านั้นอกุศลวิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าละอกุศลวิตกได้จิตก็ตั้งมันทีนี้เมื่อพิกูจ์มนาสิการข้อวิธีที่สมนาสิการสันฐานหรือเหตุปัจจัยที่สําคัญของอกุศลวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกที่เป็นแบบาปอกุศลก็ถูกละตั้งอยู่ไม่ได้นะนะถ้าละอกุศลวิตกได้ใจก็สงบตั้งมันวิธีที่ห้าก็กัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้น คมบีบขั้นบังคับอกุศลจิตด้วยกุศลจิตก็จะละอกุศลวิตกได้ถ้าละอกุศลวิตตกได้จิตก็สงบตั้งมัน่นดูก่อนพิสูจทั้งหลายเรากล่าวว่าเป็นผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกภิกูุที่ปฏิบัติได้ตามนี้นะเป็นคนที่ชำนาญในเรื่องอกุศลวิตกมากรู้วิธีการแก้อกุศลวิตกเพราะฉะนั้นเธอจํานงวิตกใดก็จะตรึกวิตกนั้น เลือกคิดได้เลยแบบนั้นอยากจะอยู่ด้วยเมตตาก็อยู่ด้วยก็อยู่ได้อยากก็อยู่ด้วยกรุณาก็อยู่ได้อยากจะอยู่ด้วยมุทิตาก็อยู่ได้อยากจะอยู่ด้วยอสุภะก็อยู่ได้อยากจะอยู่ด้วยกรรมฐานเหล่าใดเหล่าใดท่านก็จะอยู่ได้ตามใจปรารถนาเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่ชํานาญวิตกเรียกว่ารู้แนวทางรู้ทิศทางของอกุสนวิตกได้แล้วเพราะฉะนั้นเธอไม่จํำ侬จะตรึกวิตกเหล่าใดก็ไม่ต้องตรึกวิตกเหล่านั้น ในที่สุดก็ตัดตันหาได้แล้วเพออกุศลวิตกเนี่ยรากของอากุศลวิตกก็คือโลภะโทสะและโมหะเพราะขุดรากถอนโคนอกุศลวิตกก็เท่ากับถอนรากตันหาถ้าตัดตันหาได้แล้วคลี่สังโยชน์ทั้ง10บ น, นะคลี่คลายเแปลว่าคลี่คลายก็ละคลายสกายะทิฐิวิจิกิจฉาด้วยโสดาปฏิมักําจัดกาเมราคาปฏิฆาด้วยสกะทาคามีมักและอนาคามีมักกาจัด รูปปราคะรูปปราคะมานะอุทจฉาอาวิชชาภาวะราคะเป็นต้นด้วยอรหัตมรธรรมที่สุดแห่งวัตถทุกขธรรมที่สุดแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมานัตเลอุปายาตเพราะตรัสรู้โดยชอบเนี่ยนะทุกขตรัสรู้ด้วยการกําหนดรอบรู้สมุทัยก็ตรัสรูดรรรสร้ด้วยการละนิโรธก็ตรัสรู้ด้วยการทําให้แจ้งอริยมรรคทั้งหลายที่ประกอบไปด้วยองค์แก็เจริญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไพ่บริบูรณ์ บริบูรณ์ดีแล้วเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ทำที่สุดแห่งทุกได้เป็นท่าเรียเจ้าในพระาศาสนานี้อันผู้ใดที่ตรึกตรองถึงมิตกได้แบบนี้บ่อยๆก็ถือว่าเป็นผู้ชนานาญก็บอกว่าคนที่รู้วิธีกำจัดอากุศลมิตกทั้ง5ประการเรียกว่าเป็นคนที่ชนานาญในศิลปะการใช้อาวุธ5อย่างเช่นฉลาดในการใช้ธนูใช้หอกใช้ดาบเป็นต้น น, นะนะเรียกว่าฉลาดวิธีบอกเอาถ้า ถ้ามีค่าศึกอันดับแรกใช้ธนูบอกธนูแก้ปัญหาไม่ได้ก็ใช้หอกถ้าหอกหักก็ใช้ดาบถ้าดาบหักแล้วก็ใช้วิธีกระวะ่าแม่ไม้อะไรจนประสบความสำเร็จในที่สุดก็เป็นราชกุมารผู้ครองราชสมบัติฉันใดที่สุ่ผู้เจริญแล้วสามารถเข้าใจรู้วิธีกำจัดอกุศลวิตกะนะก็เลยบอกว่าชนะความคิดตัวเองได้ประเสริฐที่สุด นะชนะความคิดตัวเองได้ก็ทําที่สุดแห่งทุกได้แต่ว่าข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดความคิดที่เป็นอกุศลวิตกก็คือสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะมันก็ขอให้ทุกท่านชนะอกุศลวิตกเจริญกุศลวิตกให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยนะเจริญอาริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เจริญบริบูรณ์ทาที่สุดแห่งทุกตามพระพุทธเจ้าวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้